นี่หลายคนดีขึ้นกนาะปฏิบัติธรรมเพื่อมีปีติมีสมาธิมีความโล่งความเบาอะไรขึ้นมาบ้างคือกาปฏิบัติธรรมถ้าตั้งใจทำไม่ถึงกับว่าเร่งรัดนะคือถ้าทำถูวิธีมันก็เกิดผลข้อศาสนาเนี่เป็นเป็นอาการลีกโกเป็นอาการลีกั คือมันไม่เลือกเวลาสร้างเหตุปัจจัยมันถูกมันก็ถูกถ้าทำผิดมันก็ผิดถ้าทำถึงมันก็ถึงแต่ก่อนต้มน้ำเนี่ยเรามีวิธีการโอ้ยเผื่อจะก่อไฟนานมากก่อไฟเผื่อจะเสร็จปัจจุบันเนี่ยเร็วตั้งเตาข้างหม้อกดไฟ ไฟแช็กก็ไม่ได้กดไม่ได้ขีดเนี่ยมีปืนยิงพลุขึนะ้นทีโดดออกจะไม่มีขนคิ้วหายไปแหละติดไม่กี่เวลานาทีนะเดือดทันทีเลยเนะ่ยันเร็วแต่ก่อนต้องไปหายางรถยนต์มาต้องเทน้ำมันก๊าดใส่ต้องหาขี้ฝอยใส่เป่าแล้วเป่าอีกเพื่อจะได้กินข้าวจมูกดำไปหมดนะ ลำบากแต่นี่มันไม่เป็นแบบนั้นนะเปอรเผือไหมหม้ออี่นะหม้อทะลุนะเดี๋ยวนี้พอไฟแก๊สไฟมันรุนแรงเหมือนกันแต่ก่อนนี่ทำกรรมฐานเนี่ยเขาจะทำแบบกระสินเพ่งอันนั้นจ้องอันนี้หรือไปสมาทานข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดถือหลักอันนั้นถือหลักอันนี้ศีลสองร้อยยีิบเจ็ดสามร้อย่รต้องกินอันนั้นกินอันนี้ ขพวัดปฏิบัติคือมันมันไม่ใช่เรื่องของสติโดยตรงแ่ะแต่มันเป็นเรื่องของภาวะแวดล้อมที่จะทำให้เกิดศรัทธาต้องมีได้สายสินเต็มไปหมดนะ่ะปลูกระโยงระยางแค่จะให้เข้าใจชีวิตที่เฉยนะแต่มันก็ยากต้องสร้างเงื่อนไขอะไรมากมายหลากหลาย สร้างภาวะเวทล้อมเพื่อให้ใจมันยอมรับกลมกล่อมเหมือนคนมันจะเต้นดำเต้นเลยท่านต้องสร้างบรรยากาศแต่บางคนไม่เลยไม่มีบรรยากาศมันก็เต้นได้บางทีมันได้อารมณ์งไปง่ายๆบางทีเกสินสิบอสุภะสิบาหาเรปฏิกุลสัญญาอนุสติสิบ คือสามสิบสี่สิบแบบสมัยก่อนสมัยโบราณน้ำก็ไม่ร้อนก็ไม่เดือดคือจิตมันไม่เดือดขึ้นมาเลยถ้าจะเป็นได้ก็คือเป็นสมาธิที่เพ่งจ้องเกิดปีติเกิดลิดเกิดเดชเกิดอะไรไปนโน่นซึ่งไม่เกี่ยวกับสติปัฏฐานนนั้นพุทธศาสนาแนม่พัฒนา ผ่านการเวลามาเนื่องนานในประเทศไทยนี่แต่ว่ามันผนวกเข้ากับลทัทธิประภีนีดั้งเดิมกับเรื่องผีเรื่องความเชื่อแบบเก่าๆของชนชาติที่อยู่แถวๆนี้ยมันทําให้เกิดความงมงายแม้ปัจจุบันนี้ก็ผนวกเข้ากับลทัทธิพราม์อะไรก็ต้องมีพราหม์มีได้ไยสินมีปลุกเซก ค, คนไทยเนี่ยหอหมวงตาบะให้ร้อยลัต สเปอร์เซ็นยังไม่ได้เลยที่เข้าถึงธรรมเนี่ยร้อยคนเข้าถึงธรรมสองคนได้ไหมแต่ว่าได้ไหมไม่ได้นะพันหนึ่งให้สองคนนี่ก็ยังลําบากเลยเนี่ยส่วนมากมันก็อยู่กับความงมงายนะมันไม่รู้ธรรมะขนาดเรานี่จัดว่าอยู่แถวหน้านะเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ฮ้ศรัทธาเรางพ่อจะเอาจริงล่ะมานี่ยก็ยังคว่ำยังหงายอยู่เนี่ย จะเข้าถึงแก่น์ธรรมเนี่ยประเพณีพิธีกรรมเนยเป็นเรื่องข้างนอกนะยิ่งระบบการศึกษาก็ยิ่งอยู่ข้างนอกห่างไกลที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเข้ามาใกล้ๆนี่เป็นวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาขนมธรรมยมประเพณีก็ยังห่างไกลเพราะเข้ามาใกล้ๆจริงๆเนี่ยพุทธะจริงๆคือจิตที่มันบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยนะความรู้ตื่นเบิกบานยิง มันไม่สามารถที่จะเห็นได้ง่ายเพราะเข้ามาแล้วก็ยังมีเปลือกที่ห่อหุ้มเข้ามาข้างในอีกไม่ใช่ความงมงายะแต่เป็นความง่วงความคิดความปรุงแต่งความพุ่งสานอืดอัดขัดเคืองธุระหน้าที่การงานไรสารพัดมันเป็นเปลือกที่มันห่อหุ้มจิตเราไ ม, ไม่สามารถที่แกะเข้าไปได้มันเข้าไปไม่ถึงเนี่ยเห็นไหมมันเปลือกไม่ลุกกี่ชั้น ดังนั้นการที่จะเข้าถึงทำของคนทั่วๆไปเนี่ยมันยากมากถึงแม้จะเป็นของดีนะพุทธศาสนาเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยในยนานแล้วอแต่ว่าคนไม่ได้รับผลของพุทธศาสนาเราสังเกตปรากฏการณ์ทางสังคมในประเทศไทยเราเนี่เป็นยังไงบ้างในครอบในครัวมีความสุขไหมไม่มีนี่จะปัญหาเนี่ย มีเม็ดในครอบครัวเราเช็กดูที่ใครเห็นทำพ่อไหมพี่ไหมน้องไหมที่เข้าถึงทำที่ปล่อยวางเป็นคนมากน้อยสันโดษเป็นคนมีสติพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่อะไรที่เข้าใจเนี่ยมีไหมครอบครัวเราไม่ค่อยมีอ่ะแล้วหน่วยงานเราหละ่ะสํานัก ง, งานเราหละ่ะมีไหมเนี่ยเนเรื่องพุทธนะเนี่ยเนี่ยในที่นี้ อะไระลรมองไปนี่ว่าไวรมพุทธนะแต่ก็ไม่มีโอกาสนะได้สัมผัสกับพุทธะแล้วขนาดเนี้ยยังเป็นแบบนี้นี่ถ้าข้างนอกแล้วมันจะเป็นยังไงคนที่พูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ในชีวิตประจำวันเนี่ยยิ่งห่างไกลขนาเราคิดว่าเราอยู่ใกล้ก็ยังยากลาบากแต่ถ้าออกไป อำเภอจังหวัดประเทศชาติเราแหละจะเป็นยังไงอ่ะเห็นไหมสังคมเราที่มันมีปัญหาในปัจจุบันนี่นี่เป็นผลพวงของพุทธศาสนาหรือเปล่าถือว่าเป็นการพัฒนาตำหลักของพุทธศาสนาไม่พัฒนาชีวิตไหมอันนี้ไปดูหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเกือบจะทุกหมู่บ้านบางหมู่บ้านสองสามวัดโดยซ้าไปมีเ่ เป็นตัวช่วยบำบัดบรรเทาช่วยชี้แนะเป็นตะเกียงเป็นแสงสว่างสองทางให้กับสังคมอยู่ในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าผลมันไม่เกิดนะสังคมไทยมีแต่ความขัดแยง้งมีแต่ความร้อนรุ่มมีแต่ความกลุ่มใจมีแต่การฆ่ากันตายมีแต่การฆ่าตัวตต่ประเทศไทยในจังหวัดที่ฆ่า ต, ตัวตายมากที่สุด ช่วงวันลำพูนลำพูนนี่มากอาจจะปัจจัยด้วยหลายๆอย่างนะแต่ที่สําคัญคือมันไม่เห็นชีวิตตัวเองนะไม่เห็นความคิดไม่เห็นอะไรที่มันทำร้ายเขาเขาคิดว่าสิ่งแวดล้อมทําลายเขาคิดว่าคนนั้นคนนี้ทําลายเขาแต่ไม่ได้คิดว่าความคิดเนี่ยมันทําลายเขาเขาไม่ได้มองใกล้ปัจนั้นปัญญาเลยไม่เกิดขึ้นมาแล้วการแก้ไขปัญหาก็ไม่ตรงจุด คือฆ่าตัวเองตายสัทีแต่ปัญหานี้ก็ยังไม่ได้ลดยังได้ครองอันดับหนึ่งของประเทศอยู่ปัจจุบันน่าคิดว่าเรามีพุทธศาสนาอ่แต่ลำ้ำคุนก็มีมีสํานักปฏิบัติธรรมมีพุทธศาสนามีพระมีเจ้ามีโ น, นมินีก็มีเยอะนะแต่ว่ามันไม่ได้รับผลนะครับอันนี้ส ง, งจากอันนี้ถ้าเปรียบเทียบเขาเขาจังหวัดไม่ใหญ่เท่าไรแต่กรุงเทพก็ยิ่งหนักกันไปอีก เพราะอะไรพรเราไม่ใส่ใจพุทธศาสนาเลยหรือว่าเราไม่เข้าใจใส่ใจอยู่แต่มันไม่เข้าใจหรือเข้าใจอยู่หรือแต่มันไม่เข้าถึงหรืออะไรยังไงถึงแม้แต่พวเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ยังมีปัญหามีปัญหาว่ามันมันเป็นเพราะอะไรมันไม่เข้าใจหรือมันเข้าใจหรือมันเป็นอะไรเนี่ยเวลาเราไปพูดเลยค่ะเข้าใจเยอะเดินขบวนนะย่งมันทำลายพุทธิมไม่ฟัง จะให้ดนบรรดาให้ฝนตกลงมาและเขาเปียกเขาก็จะกลับบ้านไปส่วนหนึ่งอะไรประมาณนะั้พอใช้ได้แต่ถ้าคำพูดนี้คงไม่ได้ชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นนะจะถามว่านี่แหละคือการการคนอยู่ด้วยกันหลายคนมันก็เป็นแบบนี้แหละอะไรประมาณก็ใช่อยู่แต่ว่าถ้าเราศึกษาพุทธศาสนากันอย่างจริงจังหลหรเอาฝากไว้แต่ละคนเนี่ยมันมีหัวหน้า มีผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมในกลุ่มในกลุ๊ปในในนะอย่ามัวเมาแต่เรื่องเงินทองเข้าของมากนักนะฮะหาความสุขให้กับคนบ้างนะตามหลักของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยหลักของวิปัสสนาเนี่ยมันจะดีมากๆนะได้อะไรมาเนี่ยมาทำให้คนมีความสุขทางจิตทางใจเนี่ยจะดีชีวิตเนี่ยให้คนได้เข้าถึงทำเห็นทำเนี่ยเข้าใจทำ สัพทานนงธรรมทานังชินาติให้อะไรกับใครเนี่ยไม่ใช่ไม่สู้ให้ธรรมะเป็นทานให้ธรรมะเป็นทานคือหนึ่งพูดความจริงให้เขาฟังสองออให้เขาได้รู้ได้เห็นสภาวะธรรมที่อยู่ในใจเขาเนี่ยนนะจนทั้งว่าเขาสามารถ <c oughs> แก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้เขาไม่ทุกข์นั่นแหละมันมากกว่าให้อังเปาอีกนะ แต่คนมันไม่รู้มันไม่เข้าใจเดี๋ยนี่ยจําเป็นไหมที่ต้องบังคับสังคมวอ้ยล่นตาว่าบังคับสังคมไทยในสังคมเอาอย่างนิดเดียวเท่านั้นแหละบังคับมันไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนิดเดียวหลังจากนั้นก็เป็นธรรมชาติเลยอลองผู้หลักผู้ใหญ่ลองทําดูดีเอานายกรัฐมนตรีสุกนี้นายกรวมีไม่รับแขกเข้าปฏิบัติธรรมโอ้ยคนเขาปฏิบัติธรมกประเทศ หมดประเทศทำทำลองทำลองทำเป็นประเพณีให้คนดูดินะว่าราชการเสาอาทิตย์ไม่มาจนาคารผู้ประหารสุขว่าแต่ที่จะไปตีกอ๊กอปตีแคบแม่เอาอนนีอย่างนี้เป็นต้นนะนะพวเราก็เหมือนกันนี่เลยทำมีปัจสนาทำอยู่บ้านวันไหนไม่ได้ไปทำการพาลูกเอานั่งมีปัจสนาดูดิสักชั่วโมงสองชั่วโมง เอาตีเทนิสเล่นๆอะไรก็มาทำความเพียรประมาณเดินจุกลมอะไรประมาณนี้มันจะช่วยได้สังคมเนี่ยได้เยอะแยะหลวงตางก็เลยว่าวันนี้คนจะโตก่าไม่รู้นะมันตื่นสนามนะลงมาข้างล่างนี่อยให้พวกเราทั้งหลายนี่ได้ยินได้ฟังการพูดการคุยกันเสวนาในนี้เขาเขียนขขาโน้เวทีเสวนาอาเสวนาจะพารานังเสวนาแปลว่าพูดคุย สิวนาเนี่ยจะพูดเรื่องปัญหาหัวใจวันเนี้ยปัญหาหัวใจของเราทุกคนนี่แหละนะที่มันมีปัญหาเนี่ยโดยในเรื่องของการการพัฒนาชีวิตของเราเองนี่แหละแต่ลวงตาจะไม่พูดวันนี้จะให้พระท่านพูดคุยสู่ฟังเพราะเธอก็ สงสัยอะไรก็ถามสอบคุยกันเรื่องเปลี่ยนตามภาษาญาติพี่น้องคุยกันธรรมดาง่ายๆวันนี้ฟังไม่ชีพูดดีไหมวันนี้ดีไหมใครว่าดียกมือขึ้นโอ้โหใครว่าเอาพระยกมือขึ้นไม่เอาสักคนเลยเนาะ งนมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่เคยฟังมันก็อยากฟังอันนี้ฟังแล้วกูก็ไม่ฟังธรร ม, มาชาติคุยกันนะวันนี้คุยกันเล่นๆอนตาจะให้พูดคุยกันเตรียมไมโครโฟนไวนะ้หน่อยสักเจดตัวอเอาสักสามก็ได้หรอกเนาะ ลงตาเดินลงมาเมื่อวานนี่เห็นบางคนก็ลาลงมาเยี่ยวแต่ลงมามันเก็บเรี่ยบเลยน้ำปัญญาที่เหลืออยู่ในตัวนี่เมื่อเขาถ้าก็เลยมาลงมาทำบัดข้างล่างนี่ว่าจะได้เห็นมันมันดื่มกินพร้อมกันนึงดีกว่ามันหิวทําไงได้เนะาะธรรมดาแหละเสวนาพูดคุยกันนะวันนี้ให้อาจารย์ชุติปัญโยท่านเป็นผู้อา่าเขาเรียกว่าอะไรตัวตั้งตัวตีอะไรนะผู้ เดินเรื่องอแล้วก็ให้คูบาคูบานายแล้วก็ให้เมชีนาโมนะฮะสองสามคนขาพูดคุยเรื่องการพัฒนาชีวิตการ พ, พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยพัฒนาคุณที่คุณภาพชีวิตนะด้วยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเพราะชีวิตเราพัฒนามาเยอะๆด้วยการศึกษาด้วยอะไรมากมายหลากหลายเลยจนกระทั่งอายุปานนี้แล้ยนีย่คนละห้าสี่หกสิปีแล้วเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นไปในทิศทางไหนมันได้อะไรแต่หลังจากมาพัฒนาคุณภาพคุณภาพคุณธรรมของชีวิตเราเนี่ยด้วยการเจริญสติเนี่ยผลมันออกมาเป็นยังไงอ่ะมันได้อะไรบ้างเป็นยังไงเนี่ย มันในแง่มุมนั้นแง่มุมนี้ปรากฏการชีวิตที่ผ่านมาจากการเจริญสติเนี่ยมันได้ผลเป็นยังไงวนะันนี้เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดความเห็นนะโดยให้อาจารย์ยุติปัญโยนีย่ท่านเป็นผู้แทนพวกเราเนี่ยเป็นคนพูดคุย